นาปฏิวานพิชชณีต่อไปนี้ไม่ต้องอบัติคือ 1. นึ่งพิชชนีไม่จงใจสองพิชชนีไม่มีสติ3ามพิชชนีผู้ไม่รู้4ี่พิชชนีผู้เป็นไข้5้าพิชชนีถ่ายบนโบกแล้วไหลลงน้ํา6พิชชณีผู้มีเหตุขัดข้องเจ็ดพิชชนีวิกลจริต8ปดพิชชนีมีจิตฟุ้งซ่านเก้าพิชชนีกระสับกระสายเพราะเวทนา10บพิชชณีต้นบัญญัติสิบข้าบทที่15จบ ปาทุกกาวัคที่เจ็ดจบ